พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะได้ยินคําว่าพุทธวัตรสวัสดีก็หมายถึงว่ารายการสรนสนีสนทนากําลังเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพุทธวัจนะเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีมีความสวัสดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่สังคมไทยกําลังมีความตึงเครียดและหลายคนไม่สบายใจอยู่ในขณะนี้แถมยังจะพาท่านไปไกลกว่า น, นั้นคือถ้าท่านทําได้ ท่านอาจจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นเชียวนะคะและในห้วงเวลานี้ช่วงของพระมาร์ชค า, าวะโรตอนต้นก็เป็นการที่น้อมนําเอาพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับสังเวชนียสถานมาสาธยายเป็นการประกอบกับการที่จะเสมือนว่าทุกท่านได้ไปสังเวชนียสถานด้วยกันนะคะนามส ก, การค่ะท่านอาจารย์คะจรินพรค่ะวันนี้ก็นิมนต์ท่านต่อเลยค่ะอะ่วันนี้เราก็มาฟังเรื่องของการที่พระองค์ได้ หมุนธรรมจักที่ไม่มีใครต้านทานได้เราก็จะมาฟังพร้อมกับการประพฤติปฏิบัติทำความเพียรเผาเิลิดด้วยการเจริญอานาปานสติสมาธิถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยก็ให้พวกเรามีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกจิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามให้รีบวางความคิดนั้นเสีย แล้วมีสติอยู่กับลมหายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนกับภิกษุทั้งหลายเรื่องของที่การหมุนธรรมจักรของพระองค์ที่ไม่มีใครต้านทานได้ท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากกักรพัริราชที่ประกอบไปด้วยองค์ห้าประการย่อมหมุนจักร โดยทาให้เป็นไปได้และจากนั้นเป็นจากที่มนุษย์ไรๆผู้เป็นข้าสึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือองค์5ประการคืออะไรบ้างเล่าองค์5ประการคือจักพัตติราชนั้นเป็นคนผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณที่พอเหมาะ รู้จักกาละรู้จักบริษัทพิกษุททั้งหลายจักรพรรดิที่ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลที่สามารถหมุนจักรโดยธรรมให้เป็นไปได้และเป็นจักรที่ใครๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ชันใดพิกษุทั้งหลาย ตถาคตผู้เป็นอรหันตัดรู้ชอบด้วยตนเองก็เป็นฉันนั้นตถาคตประกอบด้วยธรรมหประการแล้วย่อมหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปได้โดยธรรมและจักรนั้นเป็นจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกไม่สามารถต้านทาน ให้หมุนกลับได้ทำา5ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตรัสรู้ชอบเองย่อมเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณที่พอเหมาะรู้จักกาละรู้จักบริษัท ต, ตถาคตรประกอบด้วยทํา5ประการเหล่านี้แลจึงหมุนธรรมจัก อันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไปได้โดยธรรมและจักนั้นเป็นจักที่สมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาอยู่แล้วพระองค์ก็ยังไม่ทรงหมุนจักรอันไม่มีพระราชาให้เป็นไปขัน <c oughs> พระพู้มีพระพระเจ้าตรัสอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าจะมาเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่เองแล้ว พระองค์ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายทำนะสิเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่เองแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักรพรรดิผู้ประกอบในธรรมเป็นธรรมราชาย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัย มีทมเป็นยอดมีทมเป็นอธิปไตยย่มจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมในหมู่ชนในราชสำนักในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกในหมู่พลในพรามและกฤ ห, หบดีในราษฎร์ขานิคมและชนบทในสานักและพรามทั้งในเนื้อและนกทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุจักพัฒน์ผู้ประกอบในธรรมเป็นธรรมราชาผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าผู้หมุนจักให้เป็นไปโดยธรรมจักนั้นเป็นจักที่มนุษย์ใดๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตทาคตเป็นพระอรหันต ถัดสรุปชอบด้วยตนเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรมอาศัยธรรมอย่างเดียวส ก, การะธรรมเคารพธรรมน้อมน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมในหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสก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 ไม่ควรอยู่อังสยดังนี้ดูก่อนภิกษุตถาคตผู้เป็นอาหาันตตสรู้ชอบด้วยตนเองเป็นธรรมราชาประกอบในธรรมผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าย่อมยังธรรมจักอันไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปโดยธรรมนั่นเทียวจากนั้นเป็นจักที่สมณนะหรือพรามเทวดามาร หรือใครๆในโลกไม่อ่านต้านทานให้หมุนกลับได้ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกมหาชนเพื่อความเอนดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูป washed. เธอจงแสดงธรรมให้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์ ให้เป็นแปพร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อ ม, มจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจากมีเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายแม้เราเอง ก็จะไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมดังนี้แลเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาประพฤติปฏิบัติพร้อมกับฟังพระสูตรกันต่อวันนี้ก็พอเท่านี้ก็ค่ะเนื้คือความยิ่งใหญ่ของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเป็นธรรมราาชาส่วนรายละเอียดที่จะทำให้สิ่งที่ ท่นได้ทราบจากการอ่านพระสูตรโดยพระมารชาคาวโรชัดแจ้งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปพบกับพระอาจารย์ไพบูลนะคะตอนนี้นามส ก, การขอบพระคุณค่ะเ